วันนี้เห็นคณะครูบาอาจารย์ระดับผู้บริหารของโรงเรียนเขตสมาวัดเป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่รองผู้บริหารจะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารจะเป็นผ อ, อ, อ, อก็จะต้องได้ผ่านการทดสอบวิสัยทัศน์ผู้ที่จะเป็นผู้นำของกลุ่มอันนี้หลวงพ่อว่า เป็นความถูกต้องอย่างยิ่งแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีการคัดสรรเก่งแต่ในตำรับตำราเก่งแต่ความรู้ศึกษาได้แล ะ, ะสอบได้อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้หาประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอ่อนด้อยจะเป็นผู้บริหารที่สมบูรณ์แบบไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เลย ต้องทั้งสองอย่างความรู้ก็พร้อมพร้อมกับทางบริหารวิสัยทัศน์เกี่ยวกับผู้คนหมู่พวกเพื่อนชุมชนสังคมประเทศชาติทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำเบื้องล่างเบื้องกลางทุกอย่างต้องเป็นผู้พร้อมจึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้แต่ถ้าหาว่าผู้นำมีนิสัยคับแคบใครให้คำแนะนำยังไงมีแต่โมโหให้เขา โกรธให้เขาไม่ยอมรับฟังใครอันนี้จะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นผู้นำที่ดีจิตใจต้องเปิดกว้างต้องยอมรับฟังคำคิดเห็นของหมู่คณะของพวกเพื่อนของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราเพราะเราจะมีความรู้อย่างเดียวเราก็ต้องปกครองตัวคนเดียวสิอย่าไปปกครองคนอื่น ถ้าเราปกครองคนเดียวเราก็ขึ้นไปอยู่บนหลังเขาเราจะปกครองตัวเองยังไงก็ได้แต่เมื่อเราจะปกครองคนอื่นเขาเราก็ต้องฟังคําคนอื่นเขาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมแต่ถึงยังไงก็ตามจะให้มันถูกใจทุกคนอันนั้นก็คงจะเปลี่ยนไปไม่ได้แต่ทุกคนก็ต้องมีความคิดของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ถึงยังไงก็ตามทุก คนของตัวเองนั้นก็ต้องมีจุดยืนจุดหนึ่งคือความเป็นธรรมถ้าจะว่าไปนะั่นก็คือกฎหมายที่จะปกครองหมู่เพื่อนปกครองหมู่คณะให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขในกลุ่มในคณะนั้นเพราะนั้นวันนี้เห็นครูบาอาจารย์ที่ทางหน่วยคณะเขตหนึ่งและเขตสี่รวมกัน คล้ายๆว่าเป็นการจัด ก, กิจกรรมเป็นการอบรมผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารขณะที่มานี่ก็คือรองผ อ, อเกือบทั้งหมดรวมทั้งวิทยากรมาด้วยก็หลายท่านที่มาในวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็นับว่าเป็นผลดีสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองสำหรับหลวงพ่อเองก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็น ไม่ได้มองข้ามในเรื่องการศึกษาวัดวาศาสนาถึงหลวงพ่ออยู่ในปานรงพงไพหลวงพ่อก็ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องการพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสองอย่างนี้หลวงพ่อถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในการที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ส่วนกิจกรรมอื่นจรเข้ามาหลวงพ่อก็ให้ตามความเหมาะสมในเรื่องของการเป็นอยู่ร่วมกันประเทศชาติ แต่เรื่องหนักแล้วว่าเรื่องที่เอาใจใส่ก็คือการศึกษาและ ก, การพยาบาลถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดหลวงพ่อก็จะได้ยินคํานี้บ่อยๆว่าได้ช่วยโรงพยาบาลช่วยๆกัรนนะ่ะโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือถ้าว่าพวกเราเจ็บใครได้ป่วยถ้าเข้าไปหามดหาหมอมดหมอไม่มีเครื่องมือหมอไม่มีกําลังใจก็เหมือนกับรถของเราที่ราคาแพง ไม่มีราคารถคันไหนที่จะแพงเท่ากว่าชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายทุกคนเป็นชีวิตที่รักที่สุดเพรานั้นถ้าว่าเป็นรถแล้วก็รถราคาแพงที่สุดที่จะเอาเข้าอู่เข้าอู่ก็คือที่ไหนคือโรงพยาบาลในเมื่อเอาเข้าโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลมีประแจสองสามตัวจับซ้ายสซนขวามุมนไปหมุนมาเกี่ยวหลุดเกี่ยวลุย แล้วเราจะไว้ใจกับอู่นั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเหตุไรเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือของอู่นั้นไม่สมบูรณ์แบบรถของเรารถราคาแพงถึงเราจะไม่ไปที่ไหนเราให้เขาซ่อมเราเ็าไม่สบายใจแต่ทางว่ารถของเราราคาแพงเข้าไปสู่โรงอู่ซ่อมอู่ซ่อมของเขาพร้อมหมดทุกอย่างวิ่งรถเข้าไปจอดปึกตัวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกระบบ พวกเราเห็นก็อุ่นใจเอออันนี้อูนี้น่าไว้ใจเพราะเหตุใดเพราเครื่องไม้เครื่องมือเขาพร้อมพี่น้องญาติโยมถ้าหาว่าเขาเอาไม่ไหวจริงๆกระสุดวิสัยพวกคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายเราก็ยอมมอบให้เพราะเครื่องมือเขาพร้อมแล้วแต่เขาเอาไม่ไหวเพราะว่ามันสำรุดชุดสมากลดของเราแย่มากแล้วอันนี้เราก็สบายใจในระดับหนึ่งทั้งผู้เกี่ยวข้อง แต่คนที่ป่วยนั้นก็ไม่ต้องว่ากันละ่ะมันคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกแล้วในช่วงนั้นแต่ญาติพี่น้องก็อุ่นใจนี่หละหลวงพ่อคิดว่าการส่งเสริมจารช่วยเหลือโรงพยาบาลเหมือนกับเราช่วยอู่ซ่อมให้มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเจ้าของรถที่เขาไปซ่อมหรือญาติพี่น้องที่เขาไปดูแลก็อุ่นอกอุ่นใจกับอู่ซ่อมนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ช่วยโรงพยาบาลทั้ง เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องผาตัดทั้งเตียงทั้งอะไรให้แก่โรงพยาบาลเพื่อจะให้โรงพยาบาลมีศักยภาพดูแลพี่น้องประชาชนคนในชาติทุกคนในโลกที่ได้รับการรักษาพยาบาลอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงร่ำโรงเรียนอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คงทราบมาตลอดว่าหลวงพ่อได้ช่วยโรงเรียนที่ไหนต่อที่ไหนบ้างถ้าจะคิดดูแล้วปีนี้หลวงพ่อก็ได้รับ ประกาศเกียรติคุณทางกระทรวงศึกษาว่าหลวงพ่อได้ช่วยโรงเรียนได้ช่วยการศึกษาได้รับรางวัลปีนี้แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้มุ่งหวังในใบประกาศเกียรติคุนั้นใบประกาศเกียรติคุณนั้นถ้าจะว่าไปและเป็นทีหลังหลวงพ่อทําคุณงามความดีซะก่อนใบ ป, ประกาศเกียรติคุณนั้นจึงตามมาหลวงพ่อทําเพื่ออะไรทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เกิดมาถึงยาวนานขนาดนี้พอที่จะช่วยเหลือสิ่งไหนได้ในการศึกษาหลวงพ่อก็ได้ทุ่มเทลงไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็กําลังขึ้นอยู่ที่อําเภอหัวดอนตาลจังหวัดมุกดาหารแต่วันที่เก้ามิถุนา ว, วันที่ของราชพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อก็ได้มอบแก่โรงเรียนหนึ่งที่โรงเรียนบ้านหนองเห็นดงอําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอาคารเรียนหลังนั้นใช้เงินทั้งหมด 2.9 ล้านกแสนกว่าแต่หลังนี้เจดห้องเรียนที่หัวดอนตาลคงจะมอบประมาณเดือนตุลาหรือพฤศจิกา เ, าเขาลายงานมาว่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ราคาส3ม้านสหรือสามล้านนั้นประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการส่งเสริมการศึกษาตลอดถึงเขตสอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นห้องประชุมหลวงพ่อก็ได้ทุ่มเทสร้างห้องประชุมหอประชุมให้แก่ คณะบริหารผู้บริหารอย่างที่พวกเราได้เข้าไปไประชุมเกือบทุกเดือนนี่แหละที่หลวงพ่อกล่าวว่าหลวงพ่อได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมในการศึกษาและการพยาบาลก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ อ, อวดนะพูดตรงๆให้ฟังพูดให้ฟังเพื่อการศึกษาว่าต่อไปภายภาคหน้า ถ้าว่าพวกเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการระดับสูงขึ้นไปพวกเราก็จะรู้ได้ว่าวัดวาศาสนาพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ในป่ารงพงไพ่ท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างไรได้บ้างไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วก็หายเงียบไปโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวผลคุณงามความดีนั่นก็ไม่ปรากฏในชุมชนสังคมในในบางคนก็ไม่รู้เรื่องก็ประนามแลว้วดูถูกเหยียดหยามวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์ วนนั้นหลวงพ่อยังได้กล่าวให้ฟังพูดให้ฟังเพื่อให้พวกเราได้รับรู้รับทราบถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับลักษณะขี้อวดพ่อสร้างขึ้นมาแล้วก็อวดอ้างไม่ใช่อย่างนั้นพูดให้ฟังเพื่อให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ในจิตในใจว่าเออพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาตินะีอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับทราบ นี่แหละอันนี้มากล่าวถึงผู้บริหารผู้จัดการผู้จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่อันนี้แปลว่าจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารจะก้าวขึ้นจุดสูงสุดในระดับผู้บริหารในท้องถิ่นในโรงเรียนของตนเองถ้าจะว่าไปก็คือเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าครอบครัวหรือหัวหน้าบริษัทห้างร้านอย่างนั้นแหละเหตุที่มาประชุมที่มาอบรมในครั้งนี้คือสรุปแล้วก็คือให้ ผู้บริหารระดับนี้มีวิสัยทัศน์ให้มองไกลให้มองรอบด้านอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นถ้าว่าพวกผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แคบเป็นผู้ขี้โกรธไม่ยอมรับฟังใครไม่ยอมศึกษาในสถานที่ต่างๆที่เหนือกว่าเราเรากล่าวว่าเราเนี่ยเราบริหารจัดการดีที่สุดแต่ผลที่สุดพวกที่มาเห็นดูแล้วดูไม่จืดดูไม่ได้ดูไม่ออกเนีทั้งที่ตัวเองกขาว่าตัวเอง เก่งกล้าสามารถแต่ท่านผู้อื่นเขามาดูมาดูของเราดีด้านหนึ่งแต่มันก็เลวอีกด้านหนึ่งเลวด้านหนึ่งแต่ก็ดีอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นทาาว่าพวกเราได้ปริรู้ไปศึกษาในสถานที่ต่างๆจุดที่มันด้อยเราก็พยายามทําให้เต็มตื่นขึ้นจุดที่มันเด่นอยู่แล้วเราก็รักษาให้มันเด่นเด่นขึ้นไปอีกแต่จุดที่มันต่ากว่าเราก็พยายามทาให้สูงขึ้น พอเราได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆตามวิสัยทัศน์ของพวกเราเพราะนั้นการเข้ามาศึกษาตามสถานที่ต่างๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ได้รับการอบรมผ่านมาแล้วตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาในวัดวาศาสนาหลวงพ่อให้แนวความคิดเรื่องการพัฒนาหรือว่าแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลาย ก่อนที่จะคิดพูดทําในหลักของพุทธศาสนาเน้นหนักจุดนี้มากเน้นหนักหัวหน้าหัวหน้าคือใจเพราะพุทธเจ้าท่านไม่ได้เน้นหนักเรื่องอย่างอื่นก่อนที่จะเป็นไปอย่างอื่นเพราะออกไปจากใจท่านจาโนโึงว่ามโนปูพังคมาธรรมามโนเสถิามโนมายามโนก็คือใจคือผู้รู้คือตัวความคิดตัวสมองเออเนี่แหละตัวนี้แหละตัวความรู้ตัวความคิดนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าเน้นหนักจุดนี้ ตัวนี้เป็นใหญ่ตัวนี้เป็นหัวหน้าตัวนี้เป็นตัวการใหญ่ที่สุดถ้าตัวนี้อบรมดีแล้วมีความรู้ดีแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วการจะพูดก็ดีการจะกระทำเสียงใดออกไปก็ดีมันก็จะดีไปทั้งหมดแต่ถ้าว่าตัวนี้มีความเหน็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วออกไปมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปทั้งหมดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิการพูดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิการกระทาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ การแนะนำสั่งสอนคนอื่นคนอื่นก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยเพราะเหตุไรเพราะออกไปจากหัวหน้าเพราะนั้นหัวหน้าจ ะ, จะต้องได้รับการอบรมอย่างดีหัวหน้าต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและหัวหน้ามี IQ ที่สูงมี i อด้วย EQ ด้วย m อ็มวด้วยทุกวันนี้เขามีทั้งหลายๆ Q h ยคิวเอ่อเอแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ IQEqmq ที่หลวงพ่อดูดูแล้วไอคิวนั่นคืออะไรคือได้รับการศึกษาที่ดีมีปัญญามีสติปัญญาพูดอะไรจำได้คล่องจำได้แม่นสติปัญญาเสียแปลมแต่ว่าถ้าหากว่ามีแต่ไอคิวอย่างเดียวยังไม่พอต้องมี EQ ิด้วยค่อยๆ EQ ิตรงมีความรับผิดชอบในเมื่อเห็นในเมื่อได้ยินในเมื่อจัดการไปแล้ว MQ กับ EQ เนี่ยใกล้ๆกัน คือ MQ นันเป็นมาจากพื้นฐานพื้นฐานคือครอบครัวเด็กเกิดขึ้นมาแล้วได้รับการอบรมที่ดีพ่อแม่อบรมที่ดีและเด็กของเขาก็มีพื้นฐานนิสัยดีด้วยแล้วก็เกิดมาในพื้นฐานที่ดีด้วยต่อมาเข้าโรงรโรโงเรียนกโรงเรียนที่ดีด้วยแล้วการเป็นอยู่ก็ไม่อดไม่อยาดทาให้เด็กคนนั้นมีจิตใจเยือกเย็นมีความรับผิดชอบอันนี้แปลว่าเด็กที่มี MQ เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ถ้าหากว่าได้รับการกระตุ้นก็เป็นคนที่ดีแต่ถ้าเมื่อได้รับการศึกษาที่ดีกระตุ้นเข้าไปให้ทํางานคนคนนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบสูงมากเพราะเหตุไรเพราะ MQ เขาสูงพื้นฐานเขามาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเราเลือกเกิดไม่ได้ในเมื่อเราได้มาในระดับนี้แล้วเราก็รู้แล้วแก่ใจว่าการกระทําสิ่งไหนที่มันไม่ดีการกระทําสิ่งไหนที่มันดี การกระทําส um okay. ิ่งไหนที่ชุมชนสังคมหรือผู้บริหารที่เหนือกว่ายอมรับหรือพี่น้องประชาชนทั้งหลายยอมรับหรือครูบาอาจารย์ผู้ระดับที่ล่างกว่ายอมรับการกระทําของเราเราก็ควรจะทําสิ่งนั้นเราต้องคิดให้ดีซะก่อนว่าเมื่อเราเป็นผู้น้อยเรามีความคิดเห็นอย่างไรในเมื่อผู้บริหารจัดการที่เหนือกว่าทํากับเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรามีความเสียใจอย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไร แต่เมื่อเราเข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วเรายิ่งทำแย่กว่าผู้บริหารที่เราเคยเป็นลูกน้องเขามาก่อนสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดให้ดีผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่เพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ต้องอยู่ในระดับดูแลลูกน้องเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่บนยอดเจดีย์สามารถที่จะมองรอบข้างรอบด้านได้ทุกคนเป็นยังไงที่เข้ามาใกล้เราอยู่ในที่ปกครองของเราเราควรจะดูแลบริหารจัดการกับเขาอย่างไรเขามีความทุกข์เดือดร้อนอย่างไร เขาออกนอกลูกนอกทางอย่างไงแต่แต่ถ้าว่าในใต้บริหารเขาเป็นคนไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีก็เหมือนกับเราเป็นมะเร็งอยู่ในนิ้วมือของเราในเมื่อเรารักษาไม่ได้ว่ามะเร็งเนี่ยมันจะทํำยังไงมันจะต้องลุกลามเข้าไปหาสู่แขนสู่อวัยวะส่วนอื่นเข้าไปถึงเราจะรักแสนรักในนิ้วมือของเราเราก็จําเป็นจะต้องตัดทิ้งเพราะเหตุไรเพราะว่ามันจะลุกลามเข้าไปหาส่วนอื่นของร่างกาย นี้ก็เหมือนกันคือผู้บริหารจัด ก, การที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะการแกล้งคนนั้นการแกล้งคนน<ม>ี้กินเงินเดือนของเขาผลประโยชน์พวกเขาที่จะได้รับตัวเองกินหมดอย่างนี้แปลว่าผู้บริหารเป็นยักษ์เป็นโขไม่มีเมตตาต่อลูกน้องลูกน้องทั้งหลายเป็นผักเป็นปลาของเราไปหมดอย่างนี้ใครเข้าไปอยู่ใกล้ก็เดือดร้อนไปหมดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นเป็นภาพรวม ให้พวกเราที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต้องมีเมตตาในจิตใจต้องเป็นผู้เสียสละต้องเป็นผู้มีจริยธรรมจริยธรรมนั่นก็คือใจเขาใจเราถ้าเราเป็นผู้น้อยเราชอบอย่างนี้ในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องคิดทบทวนดูด้านเบื้องหลังของเราเออในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราจะให้ความเป็นธรรมแก่ลูกน้องของเราให้ดีที่สุด สิ่งที่เราได้รับมาจากแต่ก่อนนั้นเราจะไม่ทำเด็ดขาดเพราะเราไม่พอใจในการกระทำของผู้บังคับบัญชาของเราที่เราได้พบได้เจอมาเอียงข้างนั้นเอียงครังนี้รักคนนั้นรักคนนี้กินเหล้าเมายาไม่รู้จักหน้าที่รับผิดชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบใจเราจะไม่ทำโดยเด็ดขาดในสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือผู้บริหารจัดการต้องคิดไว้อยู่เสมอในเมื่อเราเป็นผู้บริหารจัดการเราก็ทาตามที่ เราเห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมในเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นจุกในหมู่ในคณะในกลุ่มหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเราถ้าเขาเป็นธรรมนะผู้บังคับบัญชาเป็นธรรมนะเขาก็จะสบายใจกับเราแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เป็นธรรมกับเราเป็นยักษ์เป็นโข่ตำระดับขั้นตอนขึ้นไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงมันมีทุกระดับขั้นตอนทั้งหมดแกิเลสตัวเนี้ย ความโลภความโกรธความหลง เ, เพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่อยู่ในระดับไหนระดับหัวหน้าก็มีตังเยอะแยะระดับลูกน้องก็มีตึงเยอะแยะเพราะฉนั้นท่านจึงว่าให้ขัดเกลาให้ดูการกระทําของเราเอาศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาจับเข้ามาดูเข้ามาแลกเข้ามาบริหารจัดการกับตัวของเราพวกพ้องของเราหมู่คณะของเราถ้าเมื่อตัวของเราได้เป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วเราก็ควรจะมองอย่างที่หลวงพ่อได้กลา่าว เอาศีลธรรมเอาคุณธรรมเอาเจริยธรรมปกครองหมูนะ่คณะจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราเอาแต่กิเลสโลภโหโมณะนะยศตำแหน่งทั้งที่เขาจะได้ก็ไปให้คนอื่นซะเพราะความรักกันชั้นทาติโทสากติโมหาคติพยาคติอยู่ในจิตในใจของผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าแล้วอย่าไปคิดวังเลยว่าในกลุ่มนั้นจะมีความพร้อมเพียงสามัคคีสั่งการสั่งงานอันไหนออกไปดุดหมด เพราะเหตุไรเพราะหัวหน้าไม่เห็ความเป็นธรรมแต่ถ้าหัวหน้าให้ความเป็นธรรมแล้วที่ข้าพเจ้าให้ตำแหน่ง น, นี้เพราะเหตุ น, หนี้เพราะเหตุ น, หนี้เพราะเหตุนี้เขามีตำแหน่งนี้ใครเหนือกว่านี้เอายืดมือขึ้นมาเสนเอขึ้นมาต้องขาวสะอาดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วลูกน้องเขาก็กลัวทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะหัวหน้าเป็นธรรมให้ด้วยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมจุดนี้แหละออยากจะให้พวกเราหาความเป็นธรรมทุกระดับ ตั้งแต่เขาปนเขาจี้เาขาค่ากันตัวเองเป็นคนเลวสารเลวพอเข้าไปถึงศาลก็ยังเรียกร้องถึงความเป็นธรรมเพราะความเป็นธรรมคนนั้นพิภากษาอายการก็ขึ้นมานั่งบรรลังขึ้นมาก็ดูวความเป็นธรรมถูกต้องไหมแต่ถ้าผู้บริหารจัดการผู้ใหญ่ขึ้นมาไม่เป็นธรรมในใจเอาละเอียงอีก เ, เหมือนกันเพราะนั้นความเป็นธรรมเนี่ยจะต้องฝึก ออกมาจากด้านจิตใจจริงๆเพราะนั้นท่านจึงว่าผู้เป็นธรรมจริงๆคือพระอระหันต์พระอระหันต์คือไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอันนั้นแปลว่าเที่ยงตรงที่สดุดไม่มีอันไหนที่จะเที่ยงตรงยิ่งกว่าจิตของพระอระหันต์ผิดก็ต้องว่าตามผิดถูกก็ต้องว่าตามถูกผิดถูกรู้บอกไปตามเหตุผลนั้นถ้าไว้นอกนั้นลงมาแล้วยังมีเอียงอยู่นะยังพระอนาคามียังเอียงหน่อยๆ พระสคตามีเอเียงแน่นอนพระโสดาบันก็ยังเอียงอยูออ่ปุตุชนไม่ต้องพูดถึงว่างั้นแต่ถึงยังไงก็ตามเรายึดหลักพระธรรมคําสั่งสอนยึดหลักเหตุผลยึดหลักจริยธรรมการอยู่ร่วมกันถ้าว่ายึดหลักอย่างนี้ได้แล้วหลงพอว่า อ, อ, อยู่เย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะของพวกเรา เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะที่จะเก้าขึ้นสู่บริหารจัดการ อ, อ, อย่างหลวงพ่อไป พูดอบรมพุยธบ้านกำนันวันพุยธบ้านกำนันที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เลยพูดเรื่องเกี่ยวกับเป็นชาดกนะชาดกที่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ที่กรุงสวัรถีคือในกรุงสวัสถีมัดป่าเชตตะวันพอตกกลางวันกาเขาไล่ตีนกเขาพอตกกลางคืนนกเขาไล่ตีกากินกาหวัวหลุดหวัวขาดมั้นงนั่นเเพราะมันกากลางคืนมันมองไม่เห็นนะ นกเขากับกลางคืนตาสว่างไล่ตีกาแต่พอตกกลางวันกาตาสว่างนกเขาตามองไม่เห็นกาไล่ตีนกเขาพอในสุดนกสองตัวเป็นพิษเป็นภัยต่อกันเป็นศัตรูกันทีนี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็บางวันก็ปัดหัวกาในสารามงั้นหัวกามันขาดนกเขาไปกินเพอในสุดพระสงฆ์ก็เลยโอ้นกสองตัวเนี่ยมันทํำไมมันเบียดเบียนถึงขนาดนี้ ก็เลยสนทนากันมันทุกวันเลยมันทําไมเป็นขนาดนี้นกทั้งสองตัวพระพระพุทดธดเจ้าได้เสด็จมาบนสาลาในท่ามกลางสาลาท่านบอกว่านกสองตัวเนี่ยนกเขากับกาเนี่มันเป็นคู่อริเป็นคู่อาฆาตกันมานมนานตั้งแต่สร้างโลกเหมือนกันแต่สมัยหนึ่งโลกทั้งหลายเขาตั้งขึ้นมาว่ามนุษ เมื่ออยู่ร่วมกันควรจะมีผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปกครองก็เลยคัดเลือกคัดสรรขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองหมู่พวกเพื่อนให้กดอํานาจแก่คนคนนั้นสรพรพสัตว์ทั้งหลายสีเท้าพวกสีเท้าก็ตั้งขึ้นมาอีกให้ราช ส, สีเป็นพระยาในสัตสี่เท้ามัดฉาคือพวกปลาอยู่ในทะเลเขาก็ตั้งปลาอานนท์ เป็นพญาปลาในทะเลปกครองหมู่แต่ส่วนนกเนี่ยเราจะตั้งใครเป็นพญา เ, เขาก็เลยไปไประชุมหารือกันอยู่ที่ลานหินใหญ่ในป่าหิ ม, มพานต์นะนะพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นชาโดกขึ้นมานะจากนั้นนกทั้งหลายก็เลยตั้งกันขึ้นว่าเอพวกเราจะเอาใครเป็นผู้ปกครองพวกเรานกเขาเขาก็ไปยืนอยู่ก่อนแล้วว่างั้นเถะ นกเขาทั้งกะยืนหน้าสงําเหมือนกับผู้ใหญ่เออไม่พูดไม่กระดุกกระดิกเหมือนกันเถอะที่นกทั้งหลายก็เห็นกันหน้ากลัวเหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าหน้าบาดเสียวหน่ายําเกรงเหมือนกันเถอะก็เลยบอกขึ้นมาเอ๊ถ้าจะเป็นอย่างนี้กัควรจะเอานกเขาเป็นผู้ปกครองหมู่ดีไหมเอาลงมติกันไดเสะตัวนั้นเออเอาเห็นด้วยเอ้าเห็นด้วยเห็นหลายคู่หลายคนแต่มีกาตัวนึงอยู่ที่นั่นบอกว่า ข้าพเจ้าขอพูดได้ไหมแสดงความคิดเห็นนกทั้งหลายก็เออเอาก็ได้แต่ต้องพูดอยู่ในกรอบเหตุผลนะกาเลยขึ้นบอกผมไม่เห็นด้วยที่จะให้นกเขาเป็นพยาปกครองหมูพวกเพื่อนพอดูดูแล้วก็ก็ไม่เห็นวี่แววมีอะไรมีแต่ยืนตาเงิมอยู่ทั้งวันอย่าเนี่ ย, ยจะเป็นพูดปกครองหมูพวกเพื่อนได้ยังไงที่จะมองดูที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมพวกเราเนี่ยมองไม่เห็น ถ้าให้นกเขาเป็นผู้ปกครองเอให้พวกท่านทั้งหลายเงยหน้าคุณดูสิมองนกเขาเลยสิมันน่ากลัวขนาดไหนขนาดไม่ดุจึงขนาดนี้แต่ถ้าดุขึ้นมาแล้วจะน่ากลัวขนาดไหนทีนี้พวกนกทั้งหลายกันกาพูดอย่างนั้นแล้วกากระบินขึ้นไปท้องฟ้าอางั้นกะกะกาข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเอที่จะตั้งนกเขาเป็นพยาเอจากนั้นก็นลงมาลงมาเขาแต่ว่าเออ ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็มันก็อย่างที่กาพูดก็เห็นด้วยมันมองมองเดิแล้พูดที่จะเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์มีสัตว์สัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักทุกหมู่ทุกเหล่าต้องมีการพูดต้องการเกี่ยกรอน เ, เมื่อผิดก็ต้องประนามเมื่อถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันมีความผิดขึ้นมาก็ต้องไก่เกียรแต่นกเขาเนี่ยดูดูแล้วไม่มีแนวโน้มอย่างนั้น เอาให้กาเป็นดีกว่าเพราะกาเนี่ยเขาแสดงวิสัยทัศน์ดีน่าฟังของเขาทีนี้นกเขามันก็โมโหอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมนกเขาก็บอกว่าเรามาเห็นด้วยที่พวกท่านทั้งหลายจะให้กาเป็นพญาเพราะเหตุไรขนาดที่มันไม่ได้เป็นพญานะเป็นสัตว์ที่โงงกินไข่กินลูกนกขโมยกินนั้นขโมยกินนี้ถ้ามันเป็นพญาขึ้นมาพวกเราจะหาไข่หาลูกนก หาลูกของเราไปเลี้ยงวันละกี่ตัวเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามาเห็นด้วยที่จะให้กาเป็นพญานกเข้าก็ บ, บินขึ้นทั้งไฟเกี้ยวเกิ้ยวเกียวมาเห็นด้วยไม่เห็นด้ว ย, วยที่จะให้กาเป็นพญาพอที่สุดก็เลยลงมาที่นี่นกทั้งหลายเออใช่นกเข้านี่มีเหตุผลถูกต้องที่จะให้กาเป็นพญาเนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆกานี่เป็นหน้าไหว้หลังหลอกอต่อหน้าอีกอย่างจากนั้นก็กินไข่กินลูกนก เป็นอาหารต่อไปถ้าเมื่อเป็นผู้ปกครองแล้วเราจะหาอาหารไปเลี้ยงยังไงอันนี้เขากดไม่เอาโพนิสุกฤษเสนอขึ้นมาเอาเอาพญาหงทองเป็นพญาดีไหมทีนีไ้ไม่มีใครคัดค้านเออพญาหงทองนี่เป็นสัตว์ที่สวยงามเล้วก็มีอาหารก็คือพวกหมากหญ้าพวกเมล็ดหญ้าต่างๆแล้วก็กินปลาอยู่ในน้ําเป็นอาหารไม่ได้เบียดเปลี่ยนนกเหมื ก็เลยตั้งให้พญาหงทองเป็นพญาของนกต่อไปตั้งแต่บัดนั้นมากากระนกเขาก็เลยเพ้นกันที่ไรไปว่านี่แหละคัดค้านมาให้เป็นพญา อ, อกาก็ตีนกเขานกเขาก็ตีกาอย่างนั้นแต อ, อเหมือนกับสมัยทุกวันนี่แหละเ อ, อมื่อสมัครผู้แทนรัชดรพอสมัครตัวเองแพ้แล้วกันนั้นนะยกมือปืนไปถล่มมันฝุ่นที่สูกก็เลยถล่มกันไปตรงกันมานี่แหละ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรเหมือนกากระนุ ก, า ก, ากาเขาตั้งแต่ปู่ทวดของมันจนถึงวันนี้มันก็ยั ง, งระงับไปได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันจองเวรกันอยู่นิทานเรื่องนี้ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรแล้วก็ ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าต้องมีวิสัยทัศน์ต้องเป็นผู้รอบคอบต้องเป็นผู้ซื่อตรงจะเป็นอย่างกากินไข่ลูกน้องกินลูกเล็กเด็กแดงของลูกน้องอย่างนี้เป็นหัวหน้าที่ดีไม่ได้เนีนกเ้าก็เหมือนกันถ้ากาบอกว่านกเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ได้เพราะไม่มีมนุษย์สัมพันธ์อยู่ทั้งวันก็นอยู่ซึ่งม่อยู่อย่างนั้นไม่ดูแลลูกน้องไม่ดูแลความทรัพย์สุขติดของลูกน้องกิจการ งานก็ไม่ดูไม่แอะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้เป็นหัวหน้าที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้พวกเราคงจะเข้าใจว่าเนี่ยมันสองประเด็นสมประเด็นเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นหัวหน้าจะเป็นยังไง ious. ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางต้องเป็นผู้เสียสละต้องมีน้ำใจจึงจะเป็นหัวหน้าหัวหน้านี่นะเหยียบขี้หมาก็ต้องเหยียบก่อนเพื่อนเหยหียบ้ําก็ต้องเหยียบก่อนเพื่อนจึงจอมเป็นหัวหน้าได้ ในเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหัวหน้าต้องกระโดดออกไปรับไม่ใช่รับแต่ดีเลวให้ลูกน้องอย่างนั้นเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ได้หัวหน้าที่ดีแล้วดีเลวรับทั้งหมดพอมาถึงข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในสํานักงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีอ้างเหตุผลมาถ้าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้ายอมจะให้ข้าพเจ้าทํำยังไงแก้ไขยังไงปรับปรุงยังไงข้าพเจ้ายอมหมดอันนี้คือหัวหน้าที่ดี ถ้าหัวหน้าไม่ดีแล้วก็อย่างว่าพอรับแต่ความชอบแต่ความเลวมันก็โยนผมไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกน้องของผมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเออหาแต่ทางออกลูกน้องปั่นป่วนหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าได้หัวหน้าประเภทอย่างนั้นที่เป็นผู้ปกครองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาหาหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับผู้ที่จะเป็นผู้นําผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหัวหน้ามีหลายระดับอย่างหลวงพ่อเนี่ก็เป็นหัวหน้าวัดนะ หลวงพ่อเนี่ยใช้แนวความคิดนี่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อต้องตรวจตราดูให้ดีจากนั้นค่อยมาทําความเข้าใจกับลูกน้องอีกที่หนึ่งว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุใดทําไมอต้องหาเหตุผลให้ได้การอยู่ร่วมกันถ้าว่าเหตุผลไม่ลงรอยกันหรือว่าเหตุผลไม่มีแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้หาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ ถ้ามันไม่ดีจริงๆก็อย่างที่ว่าบอกแล้วไม่ฟังหลายครั้งต่อหลายหนถ้าจะทําให้เสียหายเข้ามาสู่วงการเข้ามาสู่ส่วนใหญ่เหมือนกับขาของเราเลยมันเน่ามัน เ, นเปื่อยรักขนาดไหนเราก็จําเป็นต้องตัดทิ้งเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ดีจะทํำยังไงจะทําให้ส่วนอื่นเสียหายถ้าเรารักร่างกายอยู่เราก็ต้องตัดส่วนที่มันเสียทิ้งเว้นเสียเถอะอย่างไงก็ยังไงเถอะตายก็ตายใช่ไหมยอมตายแล้วเขานี่ไม่ตัด อันนั้นเราก็ต้องตายจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันการบริหารจัดการหลวงพ่อว่าพวกเราก็ควรจะวิเคราะห์ผู้เป็นหัวหน้าทุกระดับตรวจตราดูลูกน้องในสิ่งที่มันไม่ดีก็ห้ามปราม์อย่าให้ทําเพราะว่าการกระทําลงไปแล้วผิดพลาดมันไม่ถูกต้องให้เรานึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เสมอๆว่าเงินเดือนของพวกเราที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์นี่เราได้มาจากใคร อั น, นให้ถามตัวเองอยู่เสมอเราได้มาจากใครได้มาจากภาษีพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีในเมื่อเขาเสียภาษีแล้วเขามาว่าจ้างเราให้สอนเด็กนักเรียนให้เป็นพออ่ อ, อให้เป็นอยู่ในระดับนี้มันคุ้มค่าเงินเขาไหมที่เราทางานอยู่เดี๋ยวนี้ให้ถามอย่างนั้นอยู่เสมอจึงเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเราไม่ถามตัวเองแล้วเราก็มีแต่เรียกร้องว่าขาต้องการเงินขาต้องการเงิน เออข้าทำงานมาไม่คุ้มค่าเงินเงินของข้าไม่คุ้มค่าเลี้ยงชีวิตของเราเออทีนี้เงินตอนนั้นไม่คุ้มค่าชีวิตของเราการเป็นอยู่ของเราแต่ละวันเราใช้ที่เหนือกว่าแต่เราลืมคิดทียว่าการทำงานของเราเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่เขาให้ไหมอันนี้ต้องสองอย่างนี้เราต้องทบทวนอยู่เสมอท่านทบทวนอยู่เสมออย่างนี้หลวงพ่อว่าความกระเพื่มในใจของเรา ความโมโหโทสูในใจของเราความน้อยอกน้อยใจในใจของเรามันก็จะลดหย่อนลงมาเออเข้าไปเจ้าทำงานขนาดนี้มันก็คงจะไม่คุ้มค่าการว่าจ้างของเขานะถ้าเราเป็นเจ้าของเงินถ้าเราทำงานอย่างนี้เราก็คงจะไม่จ้างเรา่ะถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราก็คงจะไม่กล้าจ้างเราถ้าทำงานอย่างนี้ถ้าหาว่าเราเกี่ยวเออถ้าเป็นอย่างเราเล่ากล้าจ้างเราแน่ การทํางานอย่างนี้แสดงว่าเราทําเต็มที่ถูกต้องตามคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมดบุคคลเช่นนั้นแต่ถ้าพวกเราทําไม่ถูกแล้ว <Yeah. S 1> ตัวเองว่าถูกน่ยแต่คนอื่นเขามองเออเขาตําหนิเราได้ผู้ใหญ่ผู้เหนือกว่าตําหนิเราได้ผู้ที่เสียภาษีให้แก่เราเขาตําหนิเราได้เหตุผลนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องตรวจ ตราดูตนเองโอปัญิโกนะธรรมะของพระทีเจ้าให้โอปัญิโกให้ตรวจตราดูการกระทําดูความคิดของตัวเองการพูดของตนเองอยู่เสมอเอออันนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ตรวจตราเป็นผู้ชําระกายว่าจาใจของตนเองเมื่อกายว่าจาใจของตนเองสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วการปกครองการดูแลหมู่พวกเพื่อนก็ร่มเย็นเป็นสุขไปตามๆกันนะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดกับผู้บริหารทุกทุกท่านถ้าวันลุงพ่อพูดหนักเกินไปก็คงได้รับอภัยแต่หลวงพ่อวันลุงพ่อมั่นใจว่าลุงพ่อพูดถูกเพราะงั้นเป็นแนวความคิดของผู้บริหารจัดการที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะการพูดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าสมควรยืดยาวพอสุ้งพรวงั้นแตจากนี้ไปรับพร หลวงพ่อจะให้พรกับคณะสงฆ์เพื่อเป็นสิริปเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายยะถาวาเรวะหาปูราปาริ